บุกทูหกสิบสามสามุตสตสามีการตั้งคำถามสองิท ค, ดคสดัสมาอริทส ด, สดั ส, ดาสมาีดิฉันมีงานอดิเรก แม่ Markus h ม่ดิฉันเล่นเทนนิสชกบุรสมชอบโชกบุตรสุทรามชอบสนามเทนนิสอยู่ที่ไหนคะาส d a r i s Cortebi s a d a r i คุณมีงานอดิเรกไหมก้านฮอบบีก้าขึ้นฮอบบีดิฉันเล่นฟุตบอลเพ็กบุรทามาชบเพกบตส์ทามาชุบสนามฟุตบอลอยู่ที่ไหนคะซัดอาริสเพกบุตสโมเวดานีซัดอาริส ด, ดิฉันเจ็บแขนมตกีวะมตกีวดิฉันเจ็บเท้าและมือด้วยกวกวมีคุณหมออยู่ไหมคะ สัตอกสัตาริสเอกิมีดิฉันมีรถเมมานคานามควาสเมมนคานามควสดิฉันมีจักรยานยนต์ด้วยเมอาเซเวมูโตซิกลิทเมควสเมอาเซเว ร์มดิฉันจะจอดรถได้ที่ไหนคะดาริสอโตสัดกอมดาริสอโตสัดก ม, ด, ด, กมดิฉันมีเสื้อสเวตเตอร์มเมจิมปริมกักสเมจมปริมส ดิฉันมีเสื้อแจ็คเก็ตและกางเกงยีนด้วยเมคูรทุกดาจนซิตมาคุสเมคูรทุกิดาจินซิตมาเครื่องซักผ้าอยู่ที่ไหนคะซดอาริสซาเรมัคานาะซดอาริสซาเรตชิมัคานาะดิฉันมีจาน เม่เทปชีมาคุสเมเทปชิมาคุสดิฉันมีมีดซ่อมและช้อนเมมักุสตานาชังกาลีตาโกวซีเมมักุสตานาชังกาลิตาโกวซีเกลือและพริกไทยอยู่ไหนคะ สัดอาร i สมาริลิดาปิลพิลีสัดอ r ร s สมาริลิดาปิล i ิล